31. อทำตัวอย่างที่ดีในบ้านก่อนสังคมอันแรกที่ต้องอยู่ให้ได้นะคือบ้านเราเองต้องอยู่ในบ้านให้ได้ก่อนฉะนั้นภาวนาไปนะเมื่อจิตใจมันมีความสุขมีความสงบ มันมีพัฒนาการที่ดีให้คนรอบๆบตัวเห็นเขาจะรู้สึกว่าเจอความสุขมันยังมีอีกชนิดหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นเขาเคยแต่หาความสุขจากความฟุ้งเฟอ้อการบริโภคฉะนั้นเราทําตัวอย่างให้เขาเห็นในบ้านเราก่อนนะในบ้านเราเราภาวนาให้ดีๆความร่มเย็นมันแผ่ออกไปจากจิตใจของเราคนรอบๆอบตัวเราจะร่มเย็นเขาจะเริ่มรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมนี่มีประโยชน์จริงๆไม่ใช่ดีแต่พูดนะ ถ้าเราเห็นคนอื่นฟุ้งเฟอ้อเราไปบอกเขาไม่ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่เชื่อเราเขาโมโหนะไม่ได้มีอะไรดีกับเขาเลยคือตัวเองก็ดีแต่พูดเราเอาธรรมะมาสู่ใจเราก่อนคนแรกที่ต้องช่วยคือตัวเองเหมือนที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าเหมือนสเก็ดไฟตกใส่ศีรษะแต่ละคนต้องปัดของตัวเองก่อนแล้วถึงจะช่วยคนอื่นได้